นเรามาวัดด้วยสาเหตุต่างๆกันบางคนก็มาทำบุญบางคนก็มาสะดอกเคราะห์บางคนก็มาวัดเพื่อแก้กรรมบางคนมาวัดก็เพื่อรักษาศีล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 หรือไม่มีอะไรมากระทบก็เกิดความสงบใจได้ผู้คนส่วนใหญ่จ ะ, จะรู้จักนะความสงบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องการได้ความได้ความสงบแบบนี้ก็จะพยายาม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 เดียวนี้เราไปที่ไหนก็ที่แต่ละที่เขาก็อวดว่าเามี WiFi เขามาีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าในประเทศอย่างอเมริกาหลายแห่งนี้เขาจะอวดนะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ WiFi ไ, ไ, ไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วคิดคิดค่าพักแพงมากนะเป็นประเภทรีสอร์ท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 ไปรับรู้อะไรหลายอย่างก็ไม่อยากทํางานพยายามบิดเลี่ยงงานการก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าหนีหนีโลกไปเลยนะีไม่ใช่หนีธรรมดาแต่ว่าปฏิเสธโลกไปเลยก็มีไปอยู่กับโลกไม่ได้ฉะนั้นที่อย่างต้องเกี่ยวข้องกับโลกนะมันมีความสงบอีกแบบนึงไงคือสงบทั้งทั้งที่รู้คือตาก็เห็นหูก็ได้ยิน ากายก็มีสิ่มากระทบแต่ว่าใจก็ยังสงบได้สงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีอะไรมากระทบและใจกระเพื่อมก็รู้ทันอาการที่ใจกระเพื่อมนั้ น, นเจอรถมาจอดซ้อนคันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็รู้ทันนะ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 เกิดความหมมีขึ้นมาในใจหรือเกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้ทันรู้แล้วก็วางนะอันนี้เรียกว่าสงบนะเพราะรู้หรือสงบทงั้ ง, งที่รู้นะสงบทงั้งที่รู้คือตาเห็นหูได้ยินนะแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้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 เวลาได้ยินเสียงตำหนิเสียงต่อว่าแล้วใจหงุดหงิดขึ้นมาใจก็เพื่อมขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเรายังมีความยึดติดถือมั่นนะยึดติดถือมั่นในหน้าตาของตัวเองในภาพลักษณ์ของตัวเองเขามาพูดให้เราเสียภาพลักษณ์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 มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาริกานางมาริกานี่เป็นเป็นภรรยาของเสนา บ, บดีคู่ใจของพระเจ้าประสิทธิโกศลเศนา บ, บดีคนนั้นชื่อพันธุละพันธุละนี่เป็นคนที่มีความสามารถในการรบมากแล้วก็เป็นสหายสนิทของพระเจ้าประสิทธิโกศลตั้งแต่ไปเรียนที่ตักกัิลาม่ด้ตักกัิลามาด้วย ก, กัน แต่ตอนหลังเนี่ยพระเจ้าประสเสนทิโกสนหูเบาก็ระแวงว่าผันธุรัศนาบดีแล้วก็ลูกชายนะซึ่งมีถึง32คนจะก่อกา ร, ะ, กระบฏยึดอำนาจก็เลยลวงให้ไปชายแดนแล้วก็ซุ่มโจมตีรอบค่า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 อาจจะมีอาการกระเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็สงบได้ทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะเพราะมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจในเรื่องของความไม่กีรังของชีวิตของสังขารเมื่อมีปัญญาชนิดนี้นะแม่เจออะไรมากระทบแรงๆหรือแม่มีเหตุเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวก็ยังสรงใจให้เป็นปกติคือสงบได้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 อย่านึกถึงแต่ความสงบเพราะไม่รู้หรือคิดแต่จะจำกัดการรับรู้เพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นกับใจจะต้องรู้จักแล้วก็ทำให้คุ้นเคยกับความสงบเพราะรู้หรือสงบทั้งทั้งที่รู้สงบทั้งทั้งที่รับรู้รับูปรถกลิ่นเสียงแต่ก็สงบได้เพราะใจเนี่อรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดการกระทบเมื่อเกิดผัสสะและต่อไปก็จะรู้ลึกไปถึงขั้นไตรลักษณ์เห็นหนึงความไม่จีรังของโลกธรรมเราก็รู้วมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ตรงนี้แหละที่จะทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงแล้วเราก็ใช้ประโยชนท่อนี้นะครับะ